5. วิธีฝึกดูจิตในออริยาบทนั่งวงเล็บเปิด5มีสายน2551ในวงเล็บ 2. จุดจุดนาที10วงเล็บปิดสมถะก็ทำได้แล้วก็ควรทำด้วยนะถ้าไม่ไปติดสมรถาเสียก่อนฉะนั้นถึงเวลาเราก็ต้องทำในรูปแบบทำสมาธิไปหรือเดินจงกรมไปแต่ว่าไม่ได้นั่งเอาเคลิม้มอย่าไปนั่งแบบแต่ก่อนนะ แต่ก่อนนี้ชอบนั่งเอาเคลิ้มกันคิดว่าถ้าเคลิมคล้มแล้วมันจะบรรลุธรรมไม่บรรลุหรอกบรรลุโมหะไปหมดฉะนั้นเรานั่งรู้สึกตัวนั่งเห็นร่างกายนี้หายใจไปเรื่อยๆดูร่างกายหายใจไปเหมือนดูคนอื่นดูอย่างนี้นะดูร่างกายหายใจเหมือนดูคนอื่นหายใจอยู่ฝึกอย่างนี้ฝึกไปเรื่อยๆจิตมันหนีแวบมันก็รู้เองนั่นแหละ